ครั้งที่แล้วที่หนูมากราบหลวงพ่อเจ้าค่ะแล้วหลวงพ่อสอนไปว่าการปฏิบัติอ่ะต้องเหมือนเหลาไม้ค่อยๆเหลาอะค่ะไปปฏิบัติครั้งนี้ปฏิบัติตามเจ้าค่ะแล้วก็สภาวะก็ค่อนข้างที่จะเป็นตามความเป็นจริง <leans. S 1> เห็นตามความเป็นจริงไม่เล่าร้อนเจ้าค่ะพวกเราจะไรีบร้อนทำไมเวลาสำหรับการปฏิบัติมีเยอะ คือตราบใดยังมีกิเลสยังมีเวลาอีกนะไม่ต้องรีบอะคอยรู้คอยดูด้เอาคุณยาวเข้ามากกับเขาด้วยเครื่องจะเห็นตอนนี้ประคองไว้นิดหน่อยเจ้าค่ะห <นะ S 2> ลวงพ่อเจ้าคะคือเวลาที่เขาปวดขาขึ้นมาเนี่ยนะคะหนูก็ไปเห็นว่าสภาวะเนี่ยไม่ชอบการปวดเนี่ยเขาก็ ก, ก็ก็วางไปอะค่ะ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 แล้วหนูก็มาเข้าใจว่าหนูปฏิบัติไม่ดีเพราะยานปัญญาณที่หนูเคยได้มันหายไปหมดมันไม่ใช่ยานสนิคือจริงๆแล้วแม้กระทั่งยานทั้งหลายนะันมันเป็นโลกยายาีญาณมันเสื่อมเกิดแล้วก็ดับได้ไม่ใช่ว่าของถาวรเราไม่เอามาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรหรอกที่คุณเพ็ญศรีควรจะฝึกก็คือหัดดูสภาวะจกระทั้งจิตมันเป็นกลางกับสภาวะ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 มีแต่สภาวะเกิดแล้วก็ดับสภาวะเกิดแล้วก็ดับพอตัวเราหายไปนะบางคนจะรู้สึกกลัวบางคน ร, รู้สึกเวิ้งว้างไม่มีที่พึ่งบางคน ร, รู้สึกเบื่อเนี่ยมันก็เป็นญาณอยู่กลุ่มกลางๆนั่นนะ่ะนะนะอาทินวายญาณพยตูปัทานญาณ น, นิพิทายญาณอะไรย่างเงี้ยไม่ได้มีนัยยะอะไรเข้าใจมันเบื่อใจมันกลัวอะไรย่างเงี้ยเราก็รู้ตามไปอีกเห็นความเบือ่อความกลัวอยู่ต่างหากใจอยู่ต่างหากพอใจตั้งมั่นขึ้นมา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 ใจเป็นกลางจริงๆไม่ใช่ว่าเห็นทุกขเวทนาไม่ชอบเห็นสุขเวทนาชอบนแต่มันเห็นว่าทุกอย่างเสมอภาคกันเสมอภาคกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์กุศลและอกุศลก็เสมอภาคกันด้วยความเป็นไตรลักษณ์เนี่ยที่จิตเราเดินมันสู่จุดนี้นะจิตไม่ทํางานต่อละจิตหมดความปรุงแต่งจิตจะไปเห็นธรรมะที่ไม่ปรุงแต่งจะเห็น น, นิพพานนี่มันมีกิเลสอยู่ตัวหนึ่งที่นักปฏิบัติต้องพผจน์ทุกคนอะ ในขณะที่เราตามรู้สภาวธรรมเกิดดับไปเรื่อยๆนะมันจะมีกิเลส ท, ที่ชื่อว่ากุกุจจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่จะได้สตีนะเมื่อไหร่จะได้สตีนะตัวเนี้ยตัวนี้เป็นตัวหลอกหลอนที่ร้ายกาจมากให้รู้ทันลงไปอีกเช่นเดียวกับกิเลสตัวอื่นะในสมัยพุท ธ, ธกาลก็มีหลวงพ่อเล่าเรื่อยเรื่องพระอนุรุตพระอนุรุตภาวนาอยู่ได้ธรรมะชั้นต้นๆแล้ว เสร็จแล้วท่านก็ได้ทิพยจักสุด้วยท่านก็เที่ยวดูโลกาธาตุทั้งหลายเห็นโลกาธาตุเกิดดับเห็นสัตว์นู้นเกิดแล้วตายเกิดแล้วตายนี่ดูเกิดดับเหมือนกันนะดูเป็นหลายวันแล้วชักหมุนหิบไม่บรรลุไปถามพระสารีบุตรข้าแต่พระสารีบุตรผู้เจริญกับผมมีทิพจักสุเลิศ ก, กว่าเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายผมเห็นโลกาธาตุเกิดดับทั้งทันโลกในเวลาครู่เดียวท่านเจโตท่านไวย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 ที่เรามีสตินะเราเห็นซ้ำซํำๆๆเนี่ยปัญญามันเกิดขึ้นมามันยอมรับสภาพไม่มีเราจริงๆนะตอนช่วงแรกๆที่เห็นว่าไม่มีเรามันจะกลัวก่อนบางคนกลัวบางคนรู้สึกเวิง้งว้างบางคนรู้สึกหาที่พึ่งไม่ได้อะไรเงี้ยบางคนรู้สึกเบื่อตัวเราหายไปแล้วโลกนี้น่าเบื่อเลย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 ถ้าจิต ด, ดับลงไปก็ไม่มีเวทนาละเนื้นที่ฝึกเพื่อดับเวทนานันญญาา้มจะไปสู่อริยสัจตาพุมแต่ถ้าฝึกรู้รูปนามรู้กายรู้ใจอย่างที่เขาเป็นรู้ลงไปสภาวะแต่ละตัวไม่มีเราเนี่ยจะค่อยละความเห็นผิดว่ามีเราแต่ไปดูไปอีกก็จะละความยึดถือในรูปในนามเป็นสองชั้นชั้นแรกละความเห็นผิดอย่างพวกเราดูรู้สึกไหมความโกรธเกิดขึ้นไม่ใช่เราดูออกไห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 ทั้งๆ ท, ที่ของจริงมันมีทั้งรูปทั้งนามแต่ไ ป, ไปดัดแปลงมันไปบังคับให้เหลือรูปมันเดียวเพ่งแต่รูปมันเดียวเพราะว่ามีนามแล้วมันมีความทุกข์ได้ถ้ามีแต่รูปไม่มีความทุกข์เพราะรูปไม่มีความทุกข์รูปเป็นธรรมชาติที่ไม่รู้อารมณ์รูปไม่ทุกข์ฝึกไปเรื่อยๆ ร, รู้สึกกูเก่งกูเก่งนะส ก, กูเก่งพอตายไปก็ไปเป็นพรหมลูกฟัก จุติจากลมลูกฟักมาเกิดเป็นมนุษย์เกิดะระลึกชาติได้นะพวกนี้จะเกิดมิจฉาทิฏฐิชนิดหนึ่งว่าสิ่งทั้งหลายเนี่ยอุบัติขึ้นเองอยู่ๆก็อุบัติขึ้นเองไม่มีเหตุหรอกนะเพราะว่าระลึกไปชาติก่อนนี้ไม่เห็นมีจิตเลยนะอยู่ๆจิตก็โผล่ขึ้นมาเองนะนี้จะเป็นส่วนมากจะไปเป็นเขาเรียกว่าเนยตมิจฉาทิฏฐิมิจฉาทิฏฐิถาวรพระโพธิสัตว์ทั้งหลายจะไม่ไปเกิดในภูมิของอสัญญาสต์าเลย เป็นภูมต้องห้ามเลยงัย้นเราอย่าน้อมใจให้ดับลงไปนะอ้าวใครมีอะไรเชินอ้าวคุณยาวเอาเสหน่อยหายไปนานต้องขออนุญาตรายงานนิดนึง น, นะคะหายไปเจ็ดเดือนอะไรนะหายไปเจ็ดเดือนนะคะเป็นรักษาตัวหกเดือนแล้วหกเดือนกว่าแล้วค่ะก็รักษาตัวโดยวิธีของหมอจีนนะคะ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 อย่างเคยตั้งแต่สมัยไปกาญจนบุรีคือเดิมใช่ยกใหม่สูงนีดเล๋อบ่อยๆค่ะเพลอบ่อยๆอีกอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรก้าวหน้ายังอย่างเดิมก็ถ้าเจริญสตินะมันก็ก้าวหน้าแหละถ้ากำหนดก็อย่างเงี้ยก็พยายามแต่ว่าจิตจิตดีขึ้นนะก่อนที่จะคุยกันอะจิตก็รู้ตื่นขึ้นมาละ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 ก็ยังออกไปเรื่อยๆเผลอไปเรื่อยๆมันมันไม่อยู่กับที่แล้วก็เลยเกิดตัวที่บอกว่ามีความท้อถอยว่า เ, เราก็แค่เนี้ยมันอย่างเงี้ยค่ะไม่เยวไปถอยน ะ, ะ <c oughs> คือถอยหรือไม่ถอยนะวันหนึ่งเราต้องทําศึกใหญ่เราต้องเตรียมพร้อมอะคือคือจนปัด น, นี้แล้วก็ไม่รู้ว่าจะเตรียมพร้อมยังไงอ่ะนะค ะ, ะฟังพระอาจารย์มาก็ตุกี่ปีแล้วเนี่ยก็ยังอย่างเดิมแต่ฟังอาจารย์มาหลายปีก็จริงนะ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 เราจริงจะดูกายดูเวทนาไม่ได้ดีทำยังไงเราไม่เอาละฝั่งนั้นเราจะเอาดูจิตให้ดีได้ดูจิตไปเลยค่ะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีข้อจํากัดแล้วเราทรงฉานไม่ได้ใช่ค่ะเราทรงฉานไม่ได้เรารู้กายเวทนาไม่ไม่ผ่านอ่ะค่ะนั้นดูจิตไปตเวลาดูจิตนะ้มันเหมือนน้าหยดลงตุ่มน้ํานะหยดทีละหยดอนะ่ะหยดกลางวันก็หยดนะกลางคืนก็หยดแต่กลางวันหยดแล้วเราเหยือเยอะหน่อย <c oughs> คืนหยดเล้วเหลือเยอะหน่อยทีนี้ในการในการที่ดูจิตสะสมเหมือนน้ำลงตุ่มนี่ก็คือดูว่าก <c oughs> ็คือเผลอเมื่อไหร่ก็รู้เผลอเมื่อไหร่ก็รู้ใช่แต่มีเครื่องช่วยไว้อันนึง่งคือเครื่องช่วยเช่นอาจจะขยับนิ้วอย่างี้ก็ได้ออขยับเล่นเล่นขยับเป็นแบ็กกราวน์น ะ, นะเวลาเผลอมีเต็เผลอไม่นานแล้วก็วันหนึ่งก็แบ่งเวลาไว้ทำในรูปแบบบ้าง เวลาทำในรูปแบบก็คือเคยดูพองยุบดูไปแล้วใจฉลบดเรารู้รฝึกอย่างเนี้ยแบ่งเวลาไว้ฝึกถ้าเราไม่ฝึกในรูปแบบเลยจิตจะไม่ค่อยมีแรงอ่อนไปเวลาหลงหลงยาวนะงั้นรูปแบบเราก็ไม่ทิ้งนะก็อย่างว่ารูปแบบก็ททำน้อยลงโมโมวุม่น ว, วายกับกับการรักษากายเยอะมากวันนึงสีเวลาหลายชั่วโมงใจคล่าครวนแ ล, ล้วรู้สึกหม ใจหนีไปคล่าครวญแล้วน uh> ี่ให้ร mm ู้ลกปัจจุบ allora> ันอย่างนี้นะมันคล่าครวญแล้วเวลาที่ใจค่ําครวนแล้วพระอาจารย์บอกว่ารู้ไหมว่าใจหนีไปคลําครวญรู้ว่าสมองมันคิดแล้วคาพูดมันออกมาเป็นการคล่าครวนแต่ไม่รู้ใจเลยนม่รู้สึกที่ใจใจมันอินไปกับความคิดนั้นอ๋อค่ะอันนี้อันนี้นั่นะเรียกว่าใจมันคล่าครวนแล้มันอินอะตรงที่ใจตั้งมั่นเนี่ยสําคัญมากเลย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 จิตมันถล่มลงไปในกายจิตมันถล่มลงไปในเวทนาแล้วลงไปแช่รู้กายด้วยการแช่รู้กายเวลารู้เวทนาก็ไปแช่อยู่กับเวทนาแล้วก็ไปดูนะเห็นมันเกิดดับแต่ดูแบบมีส่วนได้เสียแล้วเนี่ยดูแบบถล่มรู้ตรงถล่มรู้นี่ใช้ไม่ได้ใจต้องตั้งมั่นศักว่ารู้อยู่ถ้าจิตไม่มีกําลังของสัมมาสมาธิหนุนอยู่จิตจะถล่มรู้ถ้าจิตมันมีสัมมาสมาธินี่ปัญญาถึงจะเกิด เพราะปัญญานะี่ยมีสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดนั้นการถลำรู้เนี่ยเป็นตัวมีปัญหาอย่างที่เราฝึกกันก่อนๆเราฝึกแทบตายนะรู้หมดเลยนะอะไรๆเกิดดับนะทําไมมักไม่เกิดมักไม่เกิดเพราะมันถลำรู้นมัถลำลงไปอยู่ที่ท้องถลำไปอยู่ที่เท้าเนี่ยทำไมเราใจเราถลำไปเรากําหนดรูปนามแล้วใจถลำไปเพราะเราเรียนข้ามขั้นไป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 เราเสียสละกระทั่งความสุขส่วนตัวเราก็เสียสละได้เป็นทานสละได้สละความสุขความสบายของกายของใจเราเรามีบารมีหลายตัวขัดกําลังคือสมาสมาธิเท่านั้นแหละถ้าเราเรียนข้ามขั้นไปคือถ้าเจอหลวงพ่อเมื่ก่อนนะเรียนจะรู้จกกักจิตที่ตั้งมั่นนะเรเอาไปทําอย่างโน้นน่ะป่านี้ไปไหนแล้วก็ได้มันขาดกันอยู่นิดเดียวเอง แต่มันไปขาดตัวสําคัญแล้เพราะอะไรสัมมาสมาธินี่นะเป็นภาชนะในพระสูตรบอกเป็นภาชนะที่ประชุมหรือที่รองรับองค์มรรคที่เหลือถ้าขาดสัมมาสมาธิทั้งแคตัวเดียวนะมรรคที่เหลือจะแตกกระจักระจายออกไปเวลานี้จเจริญสติเวลานี้ทำโน้นเวลานี้จเจริญปัญญานะเดี๋ยวช่วงนี้จเจริญรักษาศีลอะไรอย่กระจียกระจาย สมาสมาธิเนี่ยเป็นภาชนะเป็นที่รองรับ อ, นะองค์มรรคทั้งเจดเนี่ยแวดล้อมสมาสมาธิอยู่อย่างที่คนโบราณสร้างพระฟางนากปลกพระนาคปลกนั่งสมาธิอยู่ตรงกลางใช่ไหมคือองค์พระนั่งสมาธิแวดล้อมด้วยมรรคทั้งเจ็ดเจคือเสียงของพญานาคเจ็ดเสียงนั่นเองเฉะนั้นตัวที่จะประชุมหัวหนาคเข้าด้วยกันนะก็คือตัวสัมมาสมาธิใจที่ตั้งมั่นเอง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 อ่ะไม่ชีไหนก็ได้ก็ อ, อยากจะกราบเรียนถามหลวงพ่อว่ามันพัฒนาขึ้นไหมคะจิตมีโมหะไม่ชีดวงไหมค่ะเอะจิตมีฮะ แ, แล้วจะทําไงให้มันทําไงอะ่ะให้มันหายไปรู้สิรู้จิตมีโมหะก็รู้ว่ามีโมหะะจิตไม่ชอบโมหะรู้ว่าไม่ชอบโมหะรู้ด้วยความเป็นกลางไม่ชีไปทําอะไรมาใจมันถึงฟุ้งๆไป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 ก็ระหว่างนั้นก็พยายามที่<ต>จะแต่คุณยาวจิตสงบขึ้นนะมันฟุ้งน้อยลงไปเยอะเลยเป็น <c oughs> แ, แม่ชีหมดแรงแต่ระหว่างนั้นก็พยายามอยู่เนี้ยนะคะมหมายความว่าตอนเย็นๆค่ำๆอะไรก็เดินจงกลมแต่สังเกตได้เลยว่าการเดินจมกลมเนี่ยแต่ก่อนเดินชั่วโมงหรืออะไรเงี้ยก็เฉยๆนี่เดินแบบสักครึ่งชั่วโมงมันรู้สึกเบื่ อ, อขี้เกียจไม่อยากทําอะไรเงี้ยมันจะมันเหมือน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 ขยับไปคราวนี้ขยับเป็นแบกกลาวละไม่ใช่ขยับให้จิตไปอยู่ตัวสำคัญคือดูจิตขยับแล้วก็รู้ทันจิตเฉแลบซ้ายเฉแลบขวารู้ทั น, นเดินปัญญาต่อไหนๆก็เดินไม่ได้ถูกฝังเข็มไก็ขยับไปเนี่ยไปคิดว่าเป็นหมีแพนด้ามีแพนด้านัมันนอนทั้งวันเลยแล้วรู้สึกเลยคะ่ะว่านอนเยอะมากต้องนอนเยอะมากค่ะ กันคืนนอนหลายชั่วโมงก็ธรรมดาค่ะล้วขยับไปเพราเรากระดูกกระดิกไม่ได้เยอะเราเดินจงกรมด้วยนิ้วหลวงพ่อก็เดินนะสมัยก่อนเดินจงกรมด้วยนิ้วที่นั่งคุยกับคนนะบางคนเราคุยด้วยมันเบื่อมันงี่เง่าแล้วนั่งอยู่ใต้โต๊ะแเราก็ขยับไปเนี้ยคุยก็ยิ้มแยมนานๆออกมาฟังที อ๋อยังอยู่ที่เก่าเลยได้ยขยับไปสังเกต ด, ดูไอ้พวกพูดมากเนื้อหาไม่ค่อยมีนานๆสุ่มฟังเอาก็ารู้เรื่องนะขยับขยับของเราไว้ไม่เสียเวลาอาเชิญ